ทำวัดนะตอนเช้ามดืดใครที่เดินบนกระเบื้องนะจะรู้สึกว่ามันเย็นบางคนรู้สึกเย็นมากจนกระทั่งพยายามเลี่ยงนะเดินบนพื้นปูนยังดีกว่าแล้วถ้าเดินบนพื้นไม้ก็จะรู้สึกว่ามันเย็นน้อยกว่านะพื้นที่เป็นกระเบื้องยิ่งถ้าเดินบนพรมหรือว่าสัมผัสผ้าเช็ดเท้าเนี่ย ก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันอุ่นนะกระเบื้องเย็น น, นะแต่พรมเช็เท้านี่อุ่นอันนี้คือความจริงที่เราสัมผัสได้แต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เป็นความจริงเสียทีเดียวนัก น, นะเพราะว่ากระเบื้องก็ดีพื้นไม้ก็ดีหรือว่าพรมเช็ดเท้าก็ดีที่จริงถ้าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมาจับเนี่ยก็จะพบว่า อุณหภูมิมันก็เท่าๆกันแหละแต่ที่เราเวลาย่างเหยียบบนกระเบื้องนยมันเย็นกว่าเหยียบบนผ้าเช็ดเท้าหรือพื้นไม้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ า, าความร้อนในตัวเราเนี่ยมันส่งผ่านไปยังพื้นกระเบื้องได้เร็วกว่าเราวลยรู้สึกว่า กระเบื้องนี่มันเย็นกว่าแผ่นไม้ทั้งที่ความจริงแล้วมันเท่ากันอุณหภูมิก็เท่ากันไอความเย็นหรือเย็นกว่าหรือความอุ่นนี่ของวัสดุต่างๆน่นี่มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจเรามากกว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยมันก็เย็นเท่ากัน แต่ที่เรารู้สึกว่ามันเย็นกว่าเนี่ยมันเป็นที่ตัวเราต่างหากเพราะว่าพื้นกระเบื้องเนี่ยมันมีความสามารถในการนะถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าผ้าเช็ดเท้าหรือว่าพื้นไม้เราก็เลยรู้สึกเย็นนะเมื่อเหยียบบนกระเบื้องความเย็นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะ ไม่ใช่อยู่ที่กระเบื้องที่จริงคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเสียมากเลยนะโดยเพพาะอยู่ที่ใจเราไม่ว่าจะเย็นระ้อนอ่อนแข็งนะสั้นยาวมากน้อย เรามักจะมองมาเป็นคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเราแต่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราต่างหากอย่างหลวงพ่อชาท่านเคยเปรียบเทียบว่าเนี่ยกิ่งไม้ที่ท่านถืออยู่กับมือเนี่ยถ้าบอกว่าเนี่ยกิ่งไม้กิ่งนี้เนี่ยถ้าเราต้องการกิ่งที่ยาวกว่า ไอ้กิ่งนี้เนี่ยที่ท่านถือเนี่ยมันก็สั้นแต่ถ้าเราต้องการกิ่งที่มันสั้นกว่ากิ่งที่ท่านถือเนี่ยมันก็ยาวผู้อยากนึกคือว่าความสั้นความยาว ข, าของกิ่งไม้นี่ก็ขึ้นอยู่กับความอยากของเราหรือขึ้นอยู่กับใจของเราถ้าอยากได้ไกิ่งที่ยาวกว่าไอ้กิ่งนี้มันก็สั้นถ้าอยากได้ไกิ่งที่สั้นกว่าไอ้กิ่งนี้มันก็ยาว ความสั้นความยางกิ่งไม้ที่ใจเราเช่นเดียวกับความมากหรือน้อยนะเงินร้อยบาทถ้าเราคาดหวังมากกว่านั้นหรืออยากได้มากกว่านั้นร้อยก็ถือว่าน้อยแต่ถ้าเราคาดหวังน้อยกว่านั้น หรืออยากได้น้อยกว่านั้นร้อยก็กลายเป็นมากเอาเช่นเียวกับล้านนีหรือร้อยล้านเนี่ยถ้าเราอยากได้มากกว่านั้นร้อยล้านก็ถือว่าน้อยแต่ถ้าเราคาดหวังว่าคาดหวังน้อยกว่านั้นไอ้ร้อยล้านนี่ก็ถือว่ามากความมากหรือน้อยเนี่ยของจํานวนเงินก็อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเรา เช่นเดียวกับความหอมความเหม็นนะกลิ่นปลาล่าเนี่ยสคนไทยหรือนวะ่าคนอีสานเนี่ยก็ถือว่าหอมแต่ถ้าฝรั่งหรือคนชาติอื่นบอกว่าเหม็นในทางตรงข้ามเนี่ยกลิ่นเนยเนยแข็งเนี่ยที่ราคาแพง ฝรั่งก็บอกหอมนะแต่ว่าคนไท ย, ยหลายคนบอกเหม็นความหอมหรือความเหม็ น, นของปลาล่าหรือของเนยแข็งเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับประสบการณ์นะความเคยชินรวมทั้งความ เข้าใจเกี่ยวเรื่องความอร่อยคนที่ได้กลิ่นปลาล่าบองคนก็โอนน้ำลายไหลพอมันนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยแต่ว่ารหรังนี่เขาจะรู้สึกอีแบบหนึง่งเมื่อได้กลิ่นปลาลา่าหรือไม่แต่คนในเมือง้หอมเมนนมก็อยู่ที่ใจของเรา ที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยไอความจริงของโลกรอบตัวเราเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนี่มันก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาในหัวของเราแต่ว่าเราจะไม่เฉลียวใจเท่าไหร่ แม้กระสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความจริงแท้ๆเนี่ยเดี๋ที่จริงมันก็ไม่ใช่เช่นต้นไมน้สีเขียวท้องฟ้าสีครามหรือว่าดอกไม้สีเหลืองเนี่ยใครๆก็เห็นอย่างนั้นสีเขียวของต้นไม้สีครามของท้องฟ้าสีเหลืองของดอกไม้โยเป็นคนตาบอดสี แต่จริงๆเนี่ยมันก็ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะความจริงที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียทีเดียวเรา จ, จะอธิบายว่านที่เราเห็นต้นไม้สีเขียวเพราะาแสงสีเขียวเนี่ยมันมากระทบกับตาเราหรือว่าที่เราเห็นท้องฟ้าสีครามเพราะแสงสีครามมันมกระทบตาเรา รเราเห็นดอกไม้สีเหลืองเพราะแสงสีเหลืองมันกระทบกับตาของเราเราจึงเห็นมันเป็นสีเขียวสีครามสีเหลืองแต่นั่นเป็นการอธิบายแบบง่ายๆนะถ้าอธิบายจริงๆก็ต้องบอกว่าเนี่ยไอ้ที่เราเห็นต้นไม้สีเขียวเนี่ยก็เพราะว่าอนุภาคของแสงเนี่ยจากต้นไม้เนี่ยมันมากระทบจอประสาทตาของเรา อนุภาคเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีสีนะอนุภาคของแสงเนี่ยจากต้นไม้ที่มากระทบจอประสาทสายตาประจอประสาทตาหรือเลตติ น, นาของเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีสีนะแต่พอมากระทบจอประสาทตาเข้าสู่สมองของเราสมองของเราก็จะตีความให้เป็นสีไปเลยนะว่าเป็นสีเขียว เช่นเดียวกันนะเวลาอนุภาคของแสงจากดอกไม้นมากระทบจอประสาท ต, ตาของเราอนุภาคนั้นหรือที่กโฟตอนเนี่ยมันก็ไม่มีสีนะแต่พอมากระทบจอประสาท ต, ตาของเราแล้วมันแปลสภาพกลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปสู่สมองสมองก็ตีความมาเป็นสีเหลืองนะ เช่กับสีครามและสีต่างๆมากมายไม่ใช่แค่เสียงเดียวนะเสียงก็เหมือนกันนะแล้วเราได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงดนตรีเนี่ยที่มันแตกต่างกันให้ความรู้สึกแตกต่างกันจริงๆเนี่ยเสียงมันเป็นคลื่นนะแล้วคลื่นเสียงที่มากระทบหูเราเนี่ยมันเงียบคลื่นนี่ไม่มีคลื่นเสียงนี่มันเงียบนะ แต่พอมันมากระทบกับหัวของเราแล้วแปลแล้วกลายเป็นสัญญาณไปสู่สมองสมองแล้วก็ตีความเป็นเสียงเสียงมันอยู่ในหัวของเราแล้วเกิดขึ้นจากสมองของเราสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกับสีกลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นปารากลิ่นเนยแข็งกลิ่นอาหารเนี่ยจริงๆโมเล ก, กุลของมันเนี่ยนะมันไม่มีกลิ่นนะแต่พอมันมากระทบกับจมูกของเรามีประสาทรับรู้มันก็แปล สัญญาณเป็นไฟฟ้าสู่สมองสมองแล้วก็ตีความให้เป็นกลิ่นอย่างที่เรารับรู้กัน น, นั่นจะพูดได้ว่าโลกรอบตัวเราเนี่ยนะไอ้ความจริงของสิ่งรอบตัวเราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีเป็นแสงเห็นเป็นเสียงหรือว่ากลิ่นเนี่ยนะมันเกิดจากการสร้างขึ้นมาในในหัวของเรานะโดยสมองแต่ความจริง รอบตัวเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็ยอมรับนะว่าโลกรอบตัวเราเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยนะที่เรารับรู้เนี่ยมันเกิดจากการตีความของสมองของเราเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งมากน้อย สั้นยาวหอมเหม็นเนี่ยหรือแม้กระทั่งสีเหลืองสีแดงสีเขียวทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ตัวเราสร้างขึ้นมาหรือตีความขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือว่าสมองสมัยที่หลวงพ่อเทียนท่านยังเป็นคาราว่าแล้วก็ไปปฏิบัตินะ แล้วก็ต่อมาท่านก็รู้ธรรมเนี่ยจากการที่ได้ปฏิบัติด้วยตัวองท่านเองแต่ตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไปไปปฏิบัติกับอาจารย์ตอนที่ท่านรู้ธรรมเนี่ยอาจารย์ก็มาสอบอารมณ์แล้วก็ถามประโยคนึงเนี่ยเกลือเนี่ย เ, ยเกลือมันเค็มไหมหลวงพ่อเทียนตอบว่าอย่างไรหลวงพ่อเทียนตอบว่าเกลือมันอยู่ในภาชนะ ประทศยและกะทอเกลือมันอยู่ในภาชนะถ้าผมยังไม่ได้เอาเกลือมาใส่ปากมันก็ยังไม่เค็มให้ฟังดูเหมือนกับว่าเป็นการเล่นสำนวนตี๊ีปากนะแต่ที่จริงมันเป็นอย่างไงจริงนะเกลือมันเค็มก็ต่อเมื่อมาใส่ในปากของเราหรือพื้นฐานนก็คือความเค็มของเกลือเกิดขึ้นเมื่อมีเรา แล้วก็มีการสัมผัสกับเกลือถ้าไม่มีเราไม่มีการสัมผัสกับเกลือโดยเพราะสัมผัสด้วยลิ้นเนี่ยความเค็มก็ไม่เกิดขึ้นความเค็มของเกลือเกิดขึ้นเมื่อมีเราและเกิดการสัมผัสหรือเกิดผัสสะขึ้นที่หลวงพ่อเทียนใช้คบว่าเนี่ยถ้าแมว เ, เกลือใส่ในปากผม เ, เกลือมันยังไม่เค็ม ตัวเกลือเนี่ยมันไม่เค็มนียมันเค็มต่อเมื่อเกิดการรับรู้เกิดผัสสะคือเอามันมาใส่ลิ้นของเราสัตว์บางชนิดเนี่ยไม่มีประสาทรับรสนะไม่มีลิ้นรับรสนะมันเจอเกลือมันก็ไม่รู้สึกเค็มนะแต่คนเราเนี่มีลิ้นนะที่รับรสเค็มได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอเอาเกลือมาใส่เนี่ยจึงจะรู้สึกเค็มแต่ถ้าไม่เอามาใส่ปากความเค็มก็ยังไม่เกิดขึ้นพูดอย่างนี้คือว่าความเค็มขังเกลือไอยู่ที่เรานั่นแหละอยู่ที่การกระทบอยู่ที่ผัสสะถ้าไม่มีการกระทบไม่มีผัสสะมันก็ไม่มีความเค็มอันนี้ก็ก็เป็นการ ชีเห็นว่าเนี่ยความจริงของสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สีเหลืองต้นไม้สีเขียวท้องฟ้าสีครามเกลือที่เค็มนะมันอยู่ก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่สมองของเราอยู่ที่การสัมผัสรับรู้หรือการเกี่ยวข้อง เช่นเดียวกันนะการที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาคือเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็อยู่ที่ใจเราสิ่งนั้งปวงเนี่ยเรียกว่าอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ตัวเราเนี่ยทั้งหมดเลยก็ว่าได้อันนี้รวมถึงความถูกความผิดด้วยนะ ความถูกความผิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเือนการสาหรับการาำนวนชีวิตของคนเราแต่ว่าความถูกความผิดมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราไม่ใช่น้อยเลยนะความถูกของคนหนึ่งมันกลายเป็นความผิดของอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นถ้าเป็นเรื่องความคิดหรือแม้แต่ เ, เรื่องการปฏิบัต การปฏิบัติการเจริญสติอย่างหนึ่งเนี่ยสำนักหนึ่งหรือครูบาอาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่าถูกแต่สำนักหนึ่งหรือครูบาอาจารย์คนหนึ่งก็บอกว่าผิดแม้กระทั่งการเดินจงกรมหรือเดินหรือยกมือสร้างจังหวะบางท่านบอกนี่อย่างเงี้ยถูกบางท่านบอกอย่างเงี้ยผิดนะสร้างจังหวะต้องมี14จังหวะ จึงจะถูกบางท่านบอกต้อง15จังหวะหรือ16จังหวะไอ้ความถูกความผิดมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นความจริงแบบปรมัติแต่ว่าเป็นเรื่องของการบัญญัติหรือการสมมุติหรือว่าการกาหนดขึ้นมาก็ว่าได้แต่ว่า ความถูกความผิดบางอย่างนี่มันก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะใช่เรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะอันนี้มันก็ต้องถือว่าที่ไหนที่ไหนก็ถือว่าผิดไม่ถูกนะผิดศีลผิดธรรมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้ว่าจะมีบางคนมีข้ออ้างมีข้อยกเว้นนะว่าถ้าเป็นคนต่างศาสนา หรือเป็นผู้ร้ายนี่ก็ฆ่าได้ไม่ผิดนะแต่ว่าโดยทั่วไปนี่ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนังการที่เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่มันก็มี ม, มีเป็นสิ่งสำคัญนะในการที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและทำให้เกิดความเจริญทั้งในทางรู้และทางธรรมและทำให้สังคมมีความสงบสันติแต่ความถูกความผิดบางอย่างมันก็ มันก็เป็นเรื่องที่ตีความกันต่างๆนา น, นาอาจจะมีบางอย่างนะที่เราจะบอกได้ว่าเออมันผิดนะเช่นผิดระเบียบเนี่ยผิดระเบียบเพราะระเบียบนี่มันชัดเจนนะที่ไหนที่วัดนี่เราก็มีระเบียบถ้าไม่ทำตามระเบียบก็ถือว่าผิดอาจจะเป็นเรื่องของการครองจีวอ หรือเรื่องการใช้ชีวิตนะเช่นอยู่วัดนี่จะมาเปิดเพลงฟังนะส่งเสียงดังเอตโรนี่ก็มันถือว่าผิดนะเพราะว่าระเบียบเขามีไว้ชัดเจนหรือแต่งตัวไม่สุภาพแต่งตัวว่าแบบแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะผิดระเบียบผิดวัฒนธรรมผิดประเพณีก็ว่าได้แต่ที่แน่ๆคือมันผิดระเบียบ อันนี้ก็ทำให้ถ้าเราปฏิบัติให้มันถูกระเบียบนะมันก็เกิดความราบลืลน่นกล่นกลืนเกิดความเรียบร้อยแต่ก็ต้องระวังนะอย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันมากเพราะว่าถ้าเรายึดติดถือมั่นกับมันเนี่ยมันก็สามารถสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ง่ายนะ อย่างเช่น เ, นเรากาลังสวดมนต์ทำวัดเรากาลังฟังธรรมนะเกิดมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาเงี้ยอันนี้เราก็มีระเบียบอยู่แล้วนะว่ า, าต้องปิดโทรศัพท์แต่พอมีเสียงโทรศัพท์ดังหลายคนก็พอได้ยินก็จะเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจเพราะอะไรเพราะมันผิด แล้วเกิดถ้าเกิดว่ายึดติดถือมั่นมาก ๆ, ๆเนี่ยกับระเบียบนี้มันก็จะเกิดความโกรธมันไม่ใช่แค่ไม่พอใจนะเกิดความโกรธเจ้าของโทรศัพท์จนบางทีอาจจะถึงกับไปต่อว่าในการไปต่อว่านี่ก็จะว่าไปมันก็ผิดเหมือนกันนะแต่ที่ทํางั้นเพราะอะไรเพราะว่าลืมตัวที่ลืมตัวเพราะอะไรเพราะว่าเจอเห็น เจอหรือเห็นการกระทำที่มันผิดที่จริงในสภาแบบนี้เนี่ยต้องตั้งสตินะเออแม้เขาทำผิดแม่เสียงมันจะผิดกาลเทศะแต่เราก็รักษาใจไม่ให้ผิดเราก็ยังเป็นปกติได้ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดชังหรือบางทีมีเสียงมาเหา่านะเราก็ไม่หงุดหงิด แม้ว่ามันจะเป็นเสียงที่ผิดเ ว, เวลาแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์มากเกิดความหงุดหงิดนะเพราะว่าไปยึดติเกับกความถูกความผิดที่ว่า้บางคนก็ทำดีสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะนะแต่ว่าวันดีคืนดีเนี่ยเกิดป่วยด้วยโรคร้ายก็ ครำควรวญโวยวาตีโพยตีภายเพราะอะไรพระคิดว่ามันไม่ควรนะฉันทำดีแต่ทำไมถึงต้องเจ็บป่วยมันไม่ถูกนะที่คนดีอย่างฉันหรือคนดีที่หรืออาจจะไม่ใช่ฉันอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เขาทำดีแต่เขาต้องมาเจ็บป่วยมันไม่ถูกนะที่เขาต้องเจ็บป่วยอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อเขาทาความดีมาตลอด หรือบางทีไฟไหม้บ้านเขาหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยทั้งที่เขาก็ทําความดีเสียสละมามันไม่ถูกเลยนะที่เขาต้องมาเป็นแบบนี้ต้องมาเจอแบบนี้นะหรือบางทีต้องมาเจอกับชั้นเองเนี่ยมไม่ถูกเลยอันนี้ก็เท่ากับเป็นการซ้ําเติมความทุกข์ให้กับตัวเองนะแทนที่จะยอมรับแล้วก็ตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วกับโวยวายตีโพธิภพกลดาชตากรรม บางทีนึกก็บอกว่าเนี่ยทำดีแล้วไม่ได้ดีฉันไม่ทําดีแล้วเพราะว่าเป็นจิตตี่ความถูกความผิดแต่ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นทําอย่างนี้ไม่ถูกเกิดขึ้นแบบเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ถูกนี่เราต้องต้องต้องระมัดระวังว่าการที่เรายึดในความถูกความผิดเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าอย่าไปจึดมั่นถือมั่นหนุนมาก พอไม่งั้นเราจะทุกความดีเนี่ยแม้ดีเนี่ยก็ต้องรู้จักวางบ้างมันก็เหมือนกับเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยนะเราก็จับราวราวบันไดเพื่อที่เราจะได้เหยียบบันไดขั้นต่อไป การที่เราจับรำบันดไว้แน่นๆก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินขึ้นบันไดได้สะดวกแต่พอเราขึ้นบันไดได้เนี่ยเราต้องวางนะมือเราต้องปล่อยราวบันไดเพื่อที่เราจะได้เดินขั้นต่อไปได้ถ้าเราจับบันไดจับราวบันไดไว้ไม่ยอมปล่อยเราจะขึ้นบันไดนะไปถึงชั้น2ชั้น3ได้อย่างไรการจับราวบันไดนี้สําคัญ แต่เมื่อจับแล้วต้องรู้จักปล่อยนะเพื่อที่จะไปจับเราบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปหรือเมื่อนกับเราเดินจากกุฏนะิมาหอไใจในยามค่ําคืนหรือเช้ามืดนะหรือเดินจากหอไใจในกลับกุฏิหลังจากทําวัดเสร็จนะเราก็ต้องถือไฟฉายแต่พอถือไฟฉายเดินมาถึงกุฏิเสร็จนะ เราก็ต้องวางไฟฉายถ้าเราไม่วางไฟฉายเลยยังจับไฟฉายอยู่เราจะอาบน้ำเราจะล้างหน้านะเราจะทำกิจต่างๆได้อย่างไรจับได้ที่มือเรายังจับไฟฉายอยู่เราก็ต้องวางไฟฉายเพื่อที่เราจะได้ทำอย่างอื่นได้ก็ต้องรู้จักปล่อยบ้างรู้จักวางบ้างไม่ใช่จับตลอดให้ความถูกความผิดก็เหมือนกันนะ ในแง่นี่มันก็เป็นเรื่องที่สมมุติกันขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องรู้ทันนะก็ต้องรู้นะว่าต้องรู้จักใช้สมมุติแล้วก็เห็นประโยชน์ของมันแต่ก็ในเดียวกันก็รู้ว่านะมันก็มีข้อจำกัดถ้าว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากมันก็เกิดโทษขึ้นมาหลายคนเนี่ยพอไปยึดมั่นในความถูกของตัวเนี่ย แ้ไปเห็นคนอื่นเขาทำผิดเนี่ยถ้าเรายึดมันมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโทษขึ้นมานะเหมือนกับเวลาเราขับรถเนี่ยขับรถ ด, ด้วยความเร็วบนถนนหลวงเพราะว่ามีรถอีกคันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยสวนมาแต่แทนที่จะวิ่งในเลนของตัวกลับมาวิ่งในเลนของเราเพราะเขากำลังแซงอาจจะแซงรถ ทัวอาจจะแซงลดพ่วงก็เข้ามาในเลนของเราและพอมาถึงเลนของเราแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมชะลอส่วนเราเนี่ยซึ่งขับถูกเลนเราเจอแบบนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเราบอกว่าเนี่ยนี่เป็นเลนของฉันฉันขับถูกเลนแต่ว่าแกขับผิดเลนแกต้องหลบให้ฉัน ส่วนฉันเนี่ยฉันถูกเลนขับถูกเลนฉันไม่หลบเพราะฉันถูกถ้าเรายึดมั่นแบบนี้เนี่ยและไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีขณะที่คันข้างหน้านี่พุ่งข้ามานี่จะเกิดอะไรขึ้นในยามนั้นเนี่ยนะไอาการไปยึดมั่นว่าฉันถูกแกผิดและเมื่อฉันถูกฉันไม่หลบนะแกต่้งหากที่ต้องหลบถ้าคิดแบบนี้นี่นะมันก็เรียกไม่ฉลาดนะ เพราะว่าสามารถที่จะทําให้เกิดการประสานงานกันและไม่ใช่เราคนเดียวที่เดือดร้อนบางทีพ่อแม่ที่ขับนั่งมาด้วยลูกหลานที่นั่งมาด้วยก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเพียงเพราะเรายึดมั่นในความถูกของเรายึดมั่นในความถูกจึงไม่ยอมไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีกเพราะถือว่าทําเช่นนั้นมันคือความพ่ายแพ้มันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็มีคนอยู่ไม่น้อยเนี่ยก็เดือดร้อนแล้วทำให้คนอื่เดือดร้อนเพราความยึดมั่นในความถูกต้องแบบนี้ในยามในสถาการณ์แ บ, บนี้เนี่ยนะแม้ถูกก็ต้องหลบเพื่ออะไรนะเพื่อความปลอดภัยไม่ใช่ว่าฉันถูกแล้วฉันไม่หลบอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องในแง่ที่ว่ามันทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนไม่พอคุณเดือดร้อนด้วยคนที่นั่งมากับรถมากับเราด้วย เพราะเนี่ยเรื่องของความถูกความผิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องต้องรู้ว่ามันมันคืออะไรแล้วมันมีข้อมันมีประโยชน์และมีข้อจำกัดแค่ไหนนะซึ่งกวาหมาข้อบางช้ก็ต้องรู้จักวางไม่ยึดมันถือมันแล้วเราต้องฝึกนะฝึกการปล่อยวาง ไม่ไม่เฉพาะเรื่องความถูกความผิดอย่างเดียวเรื่องอื่นด้วยนะเพราะถึสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่างที่บอกนะเย็นร้อนอ่อนแข็งยาวสั้นหอมเหม็นเนี่ยพวกที่มันเป็นเรื่องที่เรากำหนดขึ้นมาเองมาเมืม่อเป็นความจริงขั้นปรมัดพะนั้นเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นกับมัน จริงจงก็ไม่ได้ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบาง้งหรือรู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาเองไม่ใช่ความจริงสูงสุดแล้วเมื่อเราเมื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยการฝึกให้รู้จักปล่อยวางนะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกอย่าไปยึดมากความมากความน้อยความเหม็นความหอมนะความถูกความผิดใช้มันให้เป็นแต่ก็ต้องรู้จัก วางมันได้แต่คนเราเนี่ยก็มักจะวางไม่เป็นนะเพราะว่าเราไปยึดมั่นกับสิ่งต่างๆมาเดี่ยวว่าแต่อะไรเลยนะไอ้ความคิดความเห็นอารมณ์ความรู้สึกนี่เราก็ยึดมัน่นแต่ถ้าเรารู้จักนะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเริ่มจากความคิดไอ้ความคิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามากมายแล้วเราก็ไปหลงยึด เอาจริงเอาจังกับมันทุกเรื่องถ้าเราจะปล่อยหรู้จะวางบ้างเนี่ยนะอย่างแรกที่เราจะได้คือความสงบนะใจไม่ฟุ้งซ่านมาไม่ถูกความคิดรบกวนแล้วสองเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีทักษะในการที่จะปล่อยวางสิ่งอื่นๆตามมาโดยเพราะสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกฤตติยศ รวมทั้งความถูกความผิดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่เรียกไปไม่เรียกวางบ้างเราไปยึดมั่นสถานเดียวเนี่ยมันก็สร้างความทุกให้กับเราแต่ว่าเราจะปล่อยวางมาได้เนี่ยเราต้องมีต้องมีต้องมีสติต้องมอีประสบการณ์ เพราะหลายคนก็รู้น้าปล่อยวางดีนะแต่ว่าปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันยึดตะพึตะพือการปล่อยวางเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักฝึกนะมันก็ทำยากนะในชีวิตจริงแต่ถ้าเราฝึกนะเริ่มจากการฝึกปล่อยวางความคิดการเจริญสติเนี่ยนะการสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดในการที่เราจะได้รู้จักปล่อยวางความคิดและต่อไปเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่าง ถึงเวลาใช้ก็ใช้ให้มันเป็นถึงเวลายึดก็ยึดมันให้ถูกแต่ถึงเวลาที่จะวางก็วางได้